การทำใจให้รับผลของกรรมดีอย่างถูกต้องผู้ได้รับผลดีของกรรมดีคือการได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองต้องรับให้ดีต้องรับให้ถูกวิธีทำใจให้รับโลกธรรมอย่างถูกต้องที่สุดก็คือให้คิดว่าลาบก็ตามยศก็ตาม สรรเสริญก็ตามสุขก็ตามล้วนอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการได้รับผลดีของกรรมดีคือได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดีเมื่อไรเมื่อนั้นให้คิดถึงไตรลักษณ์ให้ทันทีจะรับผลดีของกรรมดีที่ดียิ่งกว่าผลดีทั้งนั้น การคิดถึงไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการคือการทำความดีทางใจเป็นมโนกรรมที่ดีจึงยอมได้รับผลเป็นความดีตรงตามเหตุที่ได้กระทำที่จริงมโนกรรมกรรมทางใจคือคิดดีนั้นแม้ตั้งใจจริงที่จะทำ ก็น่าจะง่ายกว่ากรรมทางกายทางวาจาเพราะเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจของเราเองอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับผู้ใดหรืออะไรเลยความคิดอยู่กับเราจริงๆไม่มีผู้ใดอาจล่วงล้ํากล้ำเกิดไปบังคับบัญชาได้ การทำใจเมื่อได้รับผลของกรรมชั่วอย่างถูกต้องได้รับผลของกรรมชั่วคือได้ประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็ควรต้องทำใจให้รับให้ถูกเช่นเดียวกับการทำใจรับโลกธรรมฝ่ายดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์ ความเศร้าเสียใจหรือความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทรับผลไม่ดีของกรรมไม่ดีด้วยวิธีคิดเช่นเดียวกับเมื่อได้รับผลดีของกรรมดีคือคิดถึงไตรลักษณิ จ, จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้นทุกแล้วก็สุข เป็นธรรมดาผลของกรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วล้วนมีลักษณะสามคือไม่เที่ยงทนทุกข์อยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งผลของกรรมดีและกรรมชั่วนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีที่จะยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปพึงละความยึดมั่นในผลกรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วต้องดับคือมีลักษณะสาม มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์โลกธรรมฝ่ายดีคือผลของกรรมดีก็เช่นกันเกิดแล้วต้องดับโลกธรรมฝ่ายไม่ดีคือผลของกรรมไม่ดีก็เช่นกันเกิดแล้วต้องดับเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อรู้เช่นนี้ตามเป็นจริงแล้วก็พึงลกความยึดมั่นในผลของกรรมที่ได้ประสบอยู่ไม่ว่าจะเมื่อประสบผลดี หรือเมื่อได้ประสบผลชั่วก็ตามถึงทุ่มเทจิตใจให้กระทำแต่กรรมดีความยึดมั่นถือมั่นเป็นความไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละแต่เมื่อยังละความยึดทุกอย่างไม่ได้ก็พึงทุ่มเทจิตใจ ให้ยึดมั่นการทำกรรมดียึดมั่นความเชื่อในผลของการทำความดีว่าทำดีจะได้ดีจริงมีความยึดมั่นความเชื่อในผลของการทำความชั่วว่าทำชั่วจะได้ชั่วจริงความยึดมั่นเช่นนี้จะเป็นทางนำไปดีให้ได้ทำดีไม่ทำไม่ดีซึ่งก็ย่อมจัดนำให้พ้นทุกโทษภัยของกรรมไม่ดี ได้รับแต่คุณประโยชน์สารพัดของกรรมดี